ก่อนผ่านตอนนี้ขอยกกระบวนธรรมะแบบปฏิจจสมุปบาทมาแสดงอีกแนวหนึ่งเพื่อประกอบความรู้ให้มองเห็นธรรมะในละหลายๆแง่เป็นเครื่องช่วยความเข้าใจในขั้นต่อๆไปกระบวนธรรมะแบบที่หนึ่งอาหารของอวิชชาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวดังนี้ว่าอาวิชชา ก็อีกนั่นแหละมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏเรากล่าวว่าอาวิชามีอาหารอาหารของอวิชาคือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอาหารคือทุจริตสามทุจริตสามมีอาหารคือการไม่สํารวมอินทรีย์ การไม่สำรวมอินทรีย์มีอาหารคือความขาดสติสัมปชัญญะความขาดสติสัมปชัญญะมีอาหารคือความขาดโยนิโสมนสิการความขาดโยนิโสมนสิการมีอาหารคือความขาดศรัทธาความขาดศรัทธามีอาหารคือการไม่สนับสนุนธรรมการไม่สนับสนุนธรรมมีอาหาร คือการไม่ได้เสวนาสับบุรุษการไม่ได้เสวนาสับบุรุษอย่างบริบูรณ์ย่อมอย่างการไม่ได้ฟังสัจธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังสัจธรรมอย่างบริบูรณ์ย่อมทําความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ละจนถึงนิวรห้าบริบูรณ์ย่อมทําอวิชชาให้บริบูรณ์อวิชชามีอาหารและความบริบูรณ์อย่างนี้ รบวนธรรมะแบบที่สองวิชาและวิมุตติมีอาหารอาหารของวิชาและวิมุตติคือโพชงเจตโพชงเจตมีอาหารคือสติปทานสี่สติปทานสี่มีอาหารคือสุจิริษสามสุจิริษสามมีอาหารคืออินรียะสังวร อินทรียสังวรมีอาหารคือสติสัมปัชัญญะสติสัมปัชัญญะมีอาหารคือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิกามีอาหารคือสัทธาสัทธามีอาหารคือการสดับตย์ธรรมการสดับตั์ธรรมมีอาหารคือการเซวนาสับบุรุษ การเสวนาสับบูรุษอย่างบริบูรณ์ยอมอยังการได้สดับสัตรธรรมให้บริบูรณ์การได้สดับสัตธรรมอย่างบริบูรณ์ยอมอยังศรัทธาให้บริบูรณ์ละจนถึงโพชฌงเจตบริบูรณ์ยอมอยังวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาวิมุตติมีอาหารอย่างนี้มีความบริบูรณ์อย่างนี้ สำหรับคำว่าอินรียสังวรความสำรวมอินรีไม่ได้หมายถึงการปิดหูปิดตาไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินเป็นต้นแต่หมายถึงการระวังรักษารู้จักใช้อินรีเมื่อรับรู้ทางตาหูเป็นต้นไม่ให้บาปอากุศลครอบงำสูงขึ้นไปบุคคลสามารถเจริญอินรีถึงขั้นเป็นนายเหนือความรู้สึกต่าง ที่จะเกิดจากการรับรู้เหล่านั้นสามารถบังคับความรู้สึกได้ตามต้องการดูเรื่องนี้ได้ที่อินรียภาวนาสูตรมัจิมานิไยอุปริปันนาในกระบวนรธรรมะแนวนี้ขอให้สังเกตองธรรมสองข้อไว้เป็นพิเศษใ น, นานะเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบการฝึกอบรมในทางพระพุทธศาสนา คือโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นหลักการใช้ความคิดอย่างถูกวิธีถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญฝ่ายภายในกับการเสวนาสัพ บ, บุรุษคือการมีการลยานมิตรซึ่งแสดงความสำคัญของปัจจัยทางสังคมถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญฝ่ายภ า, ายนอกองค์ประกอบสองฝ่ายนี้มีศรัทธาเป็นตัวเชื่อมต่อ ดังจะได้มองเห็นต่อๆไปกระบวนธรรมะแห่งความดับทุกข์แบบต่างๆเท่าที่กล่าวมาในตอนนี้ร้อมทั้งระบบวิธีปฏิบัติบางอย่างที่ควรทราบอาจนำมาเขียนสรุปไว้เพื่อทบทวนและให้มองเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้ 1. กระบวนธรรมะแห่งความดับทุกขกับการจัดระบบในทางปฏิบัติ ที่เป็นองค์ประกอบแห่งทางดับทุก์ดังนี้ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณดับจนถึงชาติดับชรามรณะดับโสกะจนถึงอุปายาดดับเท่ากับดับทุกขมัชฌิมาปฏิปทาหรือมัคสั ม, มาิทิฏฐิ บวกสัมมาสังกัปปะบวกสัมมาวาจาบวกสัมมากรมมตตะบวกสัมมาอาชีวะบวกสัมมาวายามะบวกสัมมาสติบวกสัมมาสมาธิไปสู่การดับทุกข์ 2. กระบวนธรรมะแห่งความดับทุกข์พ่อขยายเป็นกระบวนกุรกุศลธรรมนำสู่วิมุตติ โดยถือเอาทุก์เป็นจุดตั้งต้นแต่ดำเนินไปในทิศทางตรงข้ามกับกระบวนธรรมะแห่งความเกิดทุกข์ดังนี้ในที่นี้ท่านเขียนเป็นแผนภาพนะครับท่านผู้สนใจดูได้จากพุทธธรรมฉบับรับขยายหน้า548ในที่นี้แต่ละคํามีลูกศรพุ่งไปหากันนะครับอวิชชาละจนถึงทุกข์เกิดศรัทธา ปราโมทในคําว่าปราโมทนี้แบ่งเป็นสองสายสายหนึ่งคือโยนิโสมนสิการมาสู่ปราโมทอีกสายหนึ่งคือกุศลศีลอวิปฏิสารไปสู่ปราโมทจากปราโมทไปสู่ปีติปัสสธิสุขสมาธิยถาภูตยานทัทสนะ แล้วไปสู่นิพพิทาวิราคะวิมุตติขยญาณซึ่งวิมุตติและขยญาณอาจแทนด้วยวิมุตติญานนณทัศนะ